วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายรมผู้ปรารถนาวิมุติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆ เพื่อที่จะได้มาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปตามหลักธรรมคำสอนของพระ พ, พุทธเจ้าด้วยความศรัทธาด้วยภาษาธรคือความเชื่อความเลื่อมใส ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การแสดงธรรมและการปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้ก็จะมีแบ่งไว้เป็นสองตอนตอนแรกก็จะเป็นการฟังเทศฟังธรรมสามบนาทีโดยประมาณและหลังจากนั้นอีกส0สนาทีก็จะเป็นการปฏิบัติธรรม คือการนั่งสมาธิทําใจให้สงบให้เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเบื้องต้นเราจะมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดอนิสงส์ห้าประการด้วยกันก็คือหนึ่งเราจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน สองทำที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสามจะทำให้ความสงสัยต่างๆหมดสิ้นไปได้สี่จะทำให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องหรือปัญญาและห้า จะทำให้จิตใจสงบผ่องใสนี่คืออ น, นิสงหรือประโยชน์จากการฟังธรรมมีอยู่ห้าประการด้วย ก, กันซึ่งอาจจะเกิดบางข้อหรือเกิดทั้งหมดห้าข้อก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้ฟังเวลาฟังนั้นฟังอย่างไรการที่จะฟังเพื่อให้เกิดอ น, นิสงเกิดประโยชน์ อย่างเต็มที่นั้นผู้ฟังจำเป็นที่จะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ<ม>กายก็ต้องนั่งเฉยๆมไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการกระทาอะไรต่างๆ<ม>วาจาก็ต้องสงบก็คือไม่พูดคุยกันละใจก็ต้องนิ่งคือไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ให้จดจอ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาทางหูและเข้าไปในใจและพิจารณาตา ม, มนี่คือวิธีการของการนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต้องฟังด้วยกายที่สงบวาจาที่สงบ<ม>กายสงบวาจาสงบนี้เราเรียกว่าศรรีล เพราะตอนนี้เราไม่ได้ฆ่าสัตว์เราไม่ได้รักทรัพย์เราไม่ได้ประพฤติผิดในการมเราไม่ได้พูดโกหกเราไม่ได้ดื่มสุรายามเามาการฟังธรรมต้องมีศีลเป็นผู้เครื่องรองรับแล้วก็มีความสงบของใจคือใจต้องไม่คิดฟุ้งซ่านมไม่คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ ให้ตั้งอยู่ในความสงบให้สักแต่ว่ารู้ลูเล้เกี่บเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสที่หูและส่งมาที่ใจนี่คือหลักการของการฟังเทศฟังธรรมที่ถูกต้องเมื่อฟังแล้วจะทำให้เกิดอนิสงเกิดประโยชน์ต่างๆเช่นวันนี้นเราก็อาจจะได้ยินได้ฟังครั้งแรกวิธีการ ฟังธรรมที่ถูกต้องว่าต้องฟังอย่างไรบ้างอันนี้ก็คือประโยชน์อันแรกที่เราได้แล้วแล้วถ้าเราฟังธรรมไปเราก็จะได้เรียนรู้วิธีการทำใจให้มีความสุขดับความทุกข์ทต่างๆที่เกิดขึ้นในใจความทุกข์ของใจเหล่านี้ เกิดจากใจไม่สงบนั่นเองเวลาใจไม่สงบนี้ใจจะเกิดความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่เป็นเหตุที่จะทําให้ใจทุกข์ร้อนวุ่นวายใจถ้าเรามาทําใจให้สงบทําใจให้นิ่งเราก็จะหยุดความโลภความโกรธความหลงได้ พอความโลภความโกรธความหลงได้ระ ง, งับลงไปความทุกข์ร้อนใจต่างๆความเครียดต่างๆความวิตก ค, ความกังวลความหวาดกลัวต่างๆก็จะสงบลงตัวก็จะสงบลงไปด้วยใจก็จะเย็นสงบผ่องใสมีความสุขคว <c oughs> ามสงบของใจนี่ มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับชั่วคราวและระดับถาวรวิธีที่จะทําทให้ใจสงบนี้ก็จึงมีอยู่สองวิธีด้วยกันสองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งก็คือทําใจให้สงบด้วยการเจริญสติให้มีสติคอยกํากับควบคุมใจผูกใจไว้กับ อารมณ์อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี้คือที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจเพื่อไม่ให้ใจลอยไปลอยมาใจนี้เป็นเหมือนกับเรือที่ลอยอยู่บนผิวน้ําถ้าต้องการให้เรือจอดนิ่งไม่ไหลไปตามกระแสน้ํา ก็ต้องผูกเรือไว้กับท่าเรือหรือทอดสมอเรือเพราะเมื่อมีการผูกไว้กับท่าเรือหรือทอดสมอเรือกระแสน้ำก็จะไม่สามารถทำให้เรือนี้ลอยไปตามกระแสน้ำได้แต่ถ้าไม่ได้ผูกไว้กับท่าเรือหรือทอดสมอเรือกระแสน้ำนี้ก็จะพาเรือให้ไหลาตาม ลอยลอยไปตามกระแสได้ใจของเราก็เป็นเหมือนเรือที่มีกระแสคอยดึงใจให้เราลอยไปกับเรื่องราวต่างๆคือความคิดต่างๆในใจของเราคิดแล้วก็ทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างไม่สุขบ้างส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ โดยใหญ่จะมีความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะเพราะเหตุที่ทำให้ใจเรามีความสุขนี้มีน้อยกว่าเหตุที่ทำให้ใจเรามีความทุกข์คือเรามีทำน้อยกว่ามีกิเลสถ้ามีทำคิดไปทางธรรมใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขได้แต่ถ้ามีกิเลสคิดไปทางความโลภความโกรธความหลง ใจก็จะทุกข์ร้อนวุ่นวายใจขึ้นมาได้ดังนั้นในเบื้องต้นนี้เราต้องฝึกวิธีหยุดหยุดใจไม่ให้ไหลไม่ให้ลอยไปตามกระแสของความคิดต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นกระแสความคิดของกิเลส ข, ของความโลภความโกรธความหลงเราต้องรู้จักวิธีทำใจให้เรานิ่งคือเราต้องหาที่ผูก ใจเราเอาไว้ไม่ให้ลอยไปตามกระแสของความคิดต่างๆเช่นกรรมฐานนี้เป็นอารมณ์ต่างๆที่นิยมใช้กันมาในสมัยพุท ธ, ธกาลด้วยกันมีอยู่ถึงสี่สิบชนิดด้วยกันเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบแบ่งเป็นกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเรียกว่าอนุสติคือการระลึกถึง สิ่งใดสิ่ ง, งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเช่นพุทธานุสติก็ให้ระเลิกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติก็ให้ละเลิกถึงพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสังคานุสติก็ให้ระเลิกถึงพระสงฆ์อริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอานาปนานสติ ก็คือการระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกกายากตาสติก็คือการระลึกรู้อยู่กับร่างกายของเราให้ผูกใจไว้อยู่กับร่างกายร่างกายอยู่ตรงไหนเราก็ผูกใจให้อยู่กับร่างกายตรงนั้นไม่ปล่อยให้ใจห่างออกไปจากร่างกายก็คือให้คอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกาย ในทุกอิเบยาบทในทุกการกระทาถ้ามีร่างกายเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจใจก็จะลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หรือถ้าไปก็ไปแบบไปได้ยากเบื้องต้นเวลาฝึกสติใหม่ๆใจยังไม่มีสติที่กำลังมากพอก็ยังอาจจะไม่สามารถผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานได้ไปอย่างต่อเนื่องอาจจะเผลอได้ ง่ายอยู่กับพุโทโธได้สองสามคำแล้วเดี๋ยวก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องปกติของผู้ที่เริ่มฝึกขัดเจริญสติแต่ถ้ามันพยายามทำอยู่บ่อยๆทำอยู่เรื่อยๆกำลังสติก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับนอกจากกายยัคตาสติแล้วเข้าดูร่างกายแล้ว ก็สามารถดูอาการต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายได้เช่นอาการ32ผอมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจะท่องชื่อของอาการต่างๆไปก่อนก็ได้32อาการไปทั้งทางอนุโลมแล้วย้อนกลับมาปฏิลงคือท่องไปข้างหน้าแล้วท่องกลับมาเป็นการหางานให้ใจทำ งานที่จะทำให้ใจเลืเมเรื่องราวต่างๆได้ทำให้ใจนิ่งทำให้ใจสงบได้<ม>แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีโมโรณานุสติคือการระลึกถึงความตาย<ม>ก็เป็นอารมณ์กรรมฐานได้ที่จะสกัดความโลภได้<ม>เช่นเวลาเราโลภอยากได้อะไรมากๆนี่พอให้เรานึกถึงความตายขึ้นมาบ้างนี่ ความโลบนี้จะหดตัวไปทันทีเลยจะโลบไปถึงไหนกันจะเอาอะไรไปถึงไหนกัน<ม>เวลาตายไปนี่แม้แต่ร่างกายนี้เราก็เอาไปไม่ได้<ม>อย่าว่าแต่ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เราโลบเราอยากได้กันเลยแ ม, ม, ม้แต่ร่างกายที่เราลักเราห่วงแทบเป็นแทบตายนี้เราก็ยังเอาไปไม่ได้<ม>สิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือบุญกับบาปที่เราได้ทาไว หรือธรรมะหรือกิเลสที่เราได้สะสมกันเอาไว้เท่านั้น <Yeah. S 1> ที่จะเป็นสิ่งที่เราจะเอาไปกับเราได้ <Yeah. S 1> ถ้าเราเลิกถึงความตายบ้างวันวันหนึ่ง <Yeah. S 1> การเราลึกถึงความตายนี้มีคุณมีประโยชน์จะชะลอความรูปชะลอความอยากต่างๆจะบรรเทาความทุกข์ความเครียดต่างๆได้แ ต, ต, ต, ต, ต, ต่ต้องรู้จักใช้ให้ถูกเ ว, เวลา yeah. ถ้าไปใช้ไม่ถูกเวลาเวลาเศร้า อ, อยู่แล้วไปคิดถึงความตายนี้ก็ยิ่งอาจจะทำให้เศร้ามากขึ้นไปตอนนั้นเราอย่าไปคิดถึงความตายเราให้คิดถึงความดีคิดถึงบุญกุศลที่เราได้ทำอาไว้คิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็จะทำให้ใจเราหายเศร้าได้แต่ถ้าเราโลภเราหลงมากบางครั้งให้นึกถึงความตายก็จะช่วยได้ การเล่เรื่องถึงความตายนี้ต้องเหมาะกับผู้ที่มีจิตที่เข้มแข็งพอสมควรคือผู้ที่กล้ายอมรับกับความเป็นจริงว่าความตายนี้เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม mm hmm. นี้ก็คือตัวอย่างของอนุสติสิบประการด้วยกันที่สามารถเอามาใช้เป็นกรรมฐานคืออารมณ์ไว้ผูกใจ ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆเพื่อที่จะทำให้ใจหยุดคิดในที่สุดเมื่อใจหยุดคิดแล้วใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบเกิดความสุขขึ้นมานอกจากอนุสติสิบก็มีกระสินสิบกระสินก็คือสีต่างๆเช่นสีแดงสีเขียวสีขาวสีเหลืองอะไรเป็นต้นเหล่านี้การใช้กระสินนี้ก็ต้องนึกถึงสีรับ หลับตาให้สีนั้นปรากฏขึ้นมาในใจของเราเช่นสีเขียวตอนก่อนที่เราจะนึกถึงสีเขียวได้เราก็อาจจะต้องมองสีเขียวก่อนมองไปที่ใบไม้ต่างๆแล้วพยายามจำสีเขียวนั้นไว้พอเราหลับตาเราก็ให้นึกถึงสีเขียวนั้นในใจขึ้นมา mm hmm. การใช้กระสนี้มันเป็นต้องใช้กำลังของสติมากกว่าปกติ หรื อ, อาจจะไม่เหมาะกับผู้ที่ปฏิบัติฝึกัดใหม่ๆสู้ดูลมหายใจเข้าออกจะง่ายกว่าเพราะไม่ต้องนึกไม่ต้องจินตนาการสีต่างๆไว้ในใจเพียงแต่แค่ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกก็พอแล้วง่ายกว่าหรือถ้าจะง่ายยิ่งกว่านั้นก็ให้ใช้คำบิกรรมพุทโธพุทโธไปหรือจะใช้การท่องบท พระําคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าถ้าเราจำบทไหนได้เราก็ท่้งบดนั้นไปก็เป็นการเจริญธรรมานุสติเช่นการสวดเราเลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นต้นอันนี้ก็เป็นธรรมานุสตินี่คือกรรมฐานหรืออารมณ์ต่างๆที่เราเอามาใช้ผูกใจไว้เพื่อไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆ ถ้าอยากจะรู้กรรมฐานอื่นๆก็สามารถค้นคว้าหาได้ในตำราหรือในสมัยนี้ก็สามารถถามมือถือก็ได้ถามว่ากรรมฐานสี่สิบมีอะไรบ้างในมือถือก็จะบอกเราเองแต่มันเป็นกรรมฐานที่อาจจะต้องใช้กับผู้ที่ปฏิบัติระดับต่างๆกันระดับเบื้องต้นอาจจะเหมาะกับมนุษย์เ ระดับที่ก้าวหน้าขึ้นไปก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้แต่โดยทั่วไปนี่เราจะนิยมใช้พุทธานุสติกันคือ <c oughs> ให้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าเพียงแต่บริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจก็สามารถสกัดกั้นความนึกคิดต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นได้ <c oughs> การเจริญสตินี่ ไม่ใช่จะต้องไม่ใช่จะเจริญแต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิเท่านั้นถ้าเราคิดว่าเราจะมาเจริญสติตอนที่เรานั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวนี้กําลังของสติเราจะมีไม่มากพอที่จะทําให้ใจไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้การที่เราจะมีสติมากนี้เราจําเป็นที่จะต้องเจริญสติตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเลย พอลืมตาขึ้นมาก็ให้เราเริ่มต้นเจริญสติไปกับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็มสีสองวิธีด้วยกันคือใช้พุทธานุสติคือเรานึกถึงพระพุทธเจ้าพอลืมตาขึ้นมาก็ท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจแล้วเราจะลุกขึ้นไปทํำกิจอะไรเราก็พุทโธพุทโธไปดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าเราไม่มีพุโทโธนี่พอเราเตื่นขึ้นมาปับ๊บมันจะคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้พอคิดแล้วก็เกิดความโลภเกิดความหลงเกิดความอยากขึ้นมา ท, าทันทีถ้าเราอยากจะมีสติควบคุมความคิดเราต้องพยายามเจริญสติทั้งวันในระหว่างวันไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราสามารถใช้คาบริกรรมพุโทโธพุโทโธเพื่อคอยสกัดกั้นความคิดได้ เราจะหยุดคิดก็เราจะหยุดพุทธโทรก็ต่อเมื่อเราต้องใช้ความคิดถ้าเราต้องทำงานต้องคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการเราก็หยุดคำบริกรรมพุทธโทรไว้ชั่วคราวพอเราคิดเสร็จแล้วคิดเรื่องงานเรื่องการเสร็จแล้วเราก็กลับมาบริกรรมพุทธโทรต่อถ้าใจไม่คิดอะไรเราก็หยุดพุทธโทรได้ไม่ไม่จาเป็นว่าเราจะต้องบริกรรมไปทั้งวันทั้งคืน เราบริกรรมเพียงแต่คอยสกัดกัน้นหยุดความคิดไว้พอความคิดไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แล้วเราก็หยุดพุทโธได้ให้สักแต่ว่ารู้ไปให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรกำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งไปก็ใช้สองวิธีสลับกันใช้พุทโธสลับกับการเท่าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไปเพื่อให้มีสติต่อเนื่อง การมีสติต่อเนื่องนี้เราเรียกว่าสติสัมปชัญญะถ้าสติยังน้มลุกคลุกคลานอยู่เผออยู่เผอไปตั้งสติแล้วก็เผอสติแล้วก็หายไปอย่างนี้เรายังไม่เรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็คือการให้มีสติต่อเนื่องมีพุทโธต่อเนื่องไปเรื่อยๆหรือมีการรับรู้เรื่องของร่างกายอยู่ตลอดเวลาไม่สงใจให้ไปรู้เรื่องอื่น นี่คือวิธีการฝึกสติถ้าเราต้องการที่จะเอามาใช้กับการนั่งสมาธิเพื่อทำให้ใจนิ่งให้สงบให้เกิดความสุขที่เหนือกับความสุขทั้งปวงเพราะความสุขที่เราได้จากสมาธินี้จะเป็นที่พึ่งของเราต่อไปเป็นที่ให้ความสุขกับเราเป็นที่ดับความทุกข์ของเราเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเรามี สามารถเข้าถึงความสุขที่เกิดจากความสงบได้เราก็สามารถเลิกวิธีหาความสุขผ่านทางราบยศสรรเสริญผ่านทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพลาได้เพราะความสุขที่เราได้จากการทําใจให้สงบนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ เปรียบเทียบก็เหมือนกับฟ้ากับดินถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนรถราคาหลายหลายล้านกับรถราคาไม่กี่แสนคุณภาพของรถราคามากนี้เขาก็จะมีคุณสมบัติที่เลิศที่ดีกว่ารถที่ถูกถ้าเราเคยใช้รถที่ถูกแล้ววันหนึ่งเราได้รถคันราคาแพงๆมาขับนี่ พอเราได้ขับรถราคาแพงๆแล้วเราก็จะไม่อยากจะขับรถราคาถูกอีกต่อไปดังนัดความสุขที่เราได้จากความสงบนี้มันจะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญและการได้มาก็ง่ายได้กว่าถ้าเรารู้จักวิธีทำใจให้สงบได้เพียงครั้งเดียวแล้วเราก็สามารถทำให้ใจสงบต่อไปได้เรื่อยๆ มันยากก็ช่วงต้นช่วงที่เราเริ่มต้นฝึกสติ<ม>นั่งสมาธิกันใหม่ๆที่นั่งแล้วมันยังไม่ค่อยเกิดผลขึ้นมามันก็เลยทำให้เราเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายนั่งแล้วไม่เห็นจะได้อะไรเลยเพราะเราอาจจะไม่รู้จักวิธีนั่งที่ถูกวิธีไม่รู้จักว่าเราจะต้องมีสติมาก่อนที่เราจะมานั่งถ้าเราไม่มีสติมานั่งเลยนั่งไปแทนที่ใจจะอยู่กับ กรรมฐานใจก็จะคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ไปอยู่เรื่อยๆนั่ ง, นงไปแล้วก็ไม่เห็นความแตกต่างระหว่างการนั่งกับการไม่นั่งก็เพราะว่าเรายัางไม่สามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดได้นั่นเองแต่ถ้าเรารู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องคือเราต้องเจริญสติไว้ล่วงหน้าก่อนเจริญสติทั้งวัน ตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยพอเวลาเรามานั่งสมาธินี่เราจะมีสติที่มีกําลังมากที่จะสามารถควบคุมบังคับให้ใจของเรานี้อยู่กับกรรมฐานได้พออยู่กับกรรมฐานได้อย่างต่อนเนื่องความคิดต่างๆก็ค่อ ย, อยๆเบาลงไปเบาลงไปแล้วในที่สุดก็จะหายไปพอหายไปใจก็จะเย็นใจก็จะสงบขึ้นมา เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งพวงขึ้นมาพอเราได้ความสุขแบบนีแ้แล้วรู้วิธีการทำให้เกิดความสุขแบบนี้ต่อไปเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากการหาเงินหาทองหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภัชชนิดต่างๆเพราะการหาความสุขทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยแน่นอนถึงแม้เราจะหามัน ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ก็ตามเราก็ยังต้องเจอความไม่แน่นอนทุกครั้งที่เราไปหาเงินนี้ไม่ได้มาคำว่าเราจะได้เงินเสมอไปทุกครั้งที่เราหาหายศหาตำแหน่งก็ไม่ได้มาคำว่าเราจะได้เสมอไปไการหาราบยศเสริญสุขนี้มันไม่เป็นสิ่งที่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้และพอได้มาแล้วบางทีก็อยู่กับเราได้ไม่นานมันก็จากเราไปอีก พอมันจากเราไปอีกแล้วก็ต้องไปหาใหม่อีกมันอยู่กับความไม่แน่นอนเพราะลาภยศสรรเสริญสุงนี่มันเป็นอนิจจังเป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีก็เสียได้มาแล้วบางทีก็เสียบางทีก็อยู่กับเราได้ไม่นานพอมันจากไปมันก็ทําให้ใจเราเศร้าทําทให้เราทุกข์ทำให้เราเครียดแต่ถ้า เรามาทำวิธีทำใจให้สงบได้นี่เราไม่ต้องใช้อะไรมากมายเพียงแต่ใช้กำลังของสติและให้เรามีเวลาให้กับการเจริญสติกับการนั่งสมาธิเท่านั้นถ้าไปทำงานหาเงินหาทองก็ต้องมีวิชาความรู้ต้องไปเรียนรู้จบปริญญาหรือไม่ไง่ายต้องไปสมัครทำงานไปฝึกงานกับบริษัทไปเรียนรู้จากการ การฝึกงานก่อนแล้วค่อยไต่เต้าขึ้นจากตาแหน่ง ข, นขั้นต่ำไปสู่ตําแหน่งขั้นสูงได้แล้วไม่ว่าจะได้ตําแหน่งขั้นไหนก็วันดีคืนดีก็อาจจะถูกปลดออกจากตําแหน่งก็ได้ดังน mm ั hmm. ้นการหาความสุขทางโลกกระทมนี้เป็นการหาความทุกข์หาความกังวลเสมากกว่าเพราะว่าโลกธรรม ท, ทั้งสี่นี้เป็นของไม่แน่นอน mm hmm. yeah. แล้วก็เป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดภาคจากกันไปแต่การหาความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบนี้พอเราสามารถทำได้แล้วนี่เราจะสามารถทำได้ไปตลอดแล้วก็ไม่ต้องกัวงวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของร่างกายร่างกายจะแข็งแรงไม่แข็งแรงร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ร่างใจจะแก่หรือไม่แก่ หรือแม้แต่เวลาที่ร่างกายจะตายหรือม่านก็ตามเรายังสามารถทําใจให้สงบทําใจให้มีความสุขได้ mm hmm. เพราะว่าการหาความสุขจากการทําใจให้สงบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องอ mm hmm. สิ่งที่ต้องการสิ่งที่ต้องใช้ก็คือสติเท่านั้นเอง mm hmm. ถ้าเรามีสติแล้วเราสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการเลยนั่งหลับตาแป๊บเดียว มีสติอยู่กับลมหายใจห้านาทีหรือพุโทโธห้านาทีนี้ใจก็นิ่งเข้าสู่ความสงบได้แล้วก็เกิดความสุขเกิดความเย็นสบายขึ้นมาในใจอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เวทเลิศสิ่งที่วิเศษที่เราอาจจะไม่รู้กันมาก่อนถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมกันในวันนี้พอเราได้ยินได้ฟังแล้ววันนี้เราก็ได้เรียนรู้ว่าออเรามีของวิเศษอยู่ในตัวของเรานี้เอง วิเศษกับสิ่งต่างๆที่เราหลงไปหาปการให้ให้เหนื่อยให้ให้ยุ่งยากให้นาบากไปเปล่าๆมีของวิเศษอยู่กับเราที่สามารถเราเราสามารถเอาติดตัวไปกับเราได้ด้วยถ้าเราทำสมาธิได้ในชาตินี้แล้วถ้าเราก็ไปเกิดชาติหน้าต่อเราก็จะสามารถทำสมาธิต่อได้เลยไม่ต้องไปเรียนใหม่ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่คนบางคนที่มาเกิดในใ น, ในชาตินี้บางคน พอไปนั่งสมาธิไม่กี่นาทีจิตเขาก็สงบได้ก็เพราะว่าชาติก่อนเขาเคยทําสมาธิมาแล้วพอมาถึงชาตินี้พอเขาจะนั่งทําสมาธิก็สามารถทําจิตของเขาให้นิ่งให้สงบได้อย่างง่ายได้นี่แหละคือประโยชน์ของการปฏิบัติทำทำใจให้สงบถึงแม้ว่าสมาธินี้จะเป็นความสงบแบบชั่วคราวก็ตามแต่ก็เป็นประโยชน์มหาศาล เป็นความสุขมหาศาลที่เราสามารถเข้าไปหาได้เวลาที่เราต้องการหลบภัยหลบจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆหรือเวลาที่เราต้องการจะมีความสุขเราก็เพียงแต่เข้าสมาธิไปแต่ถ้าเราอยากจะให้ความสงบของสมาธินี้เป็นความสงบที่ยั่งยืนถาวรเราก็ต้องปฏิบัติขั้นที่สองคือขั้นปัญญา การปัญญาก็คือสอนใจให้คอยกำจัดเหตุที่จะมาทำให้ใจของเราไม่สงบทำลายความสงบก็คือกิเลสตัณหานี่เองพอเราอยากได้อะไรใจที่นิ่งที่เย็นก็จะร้อนขึ้นมาทันทีแล้วสิ่งที่เราได้มามันก็จะทำให้เรามีความสุขเดียวยวถ้าเดี๋ยวพอมันจากเราไปมันก็จะทำให้เราทุกข์อีกนี่คือการใช้ปัญญาถ้าเรารู้ว่าความอยาก หาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันเป็นความสุขชั่วคราวมันมีความสุขที่จะต้องมีวันสูญไปหมดไปและเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้พอเรารู้อย่างนี้ต่อไปเราก็จะตัดความอยากต่างๆพอความอยากต่างๆถูกกําจัดหมดไปใจที่สงบจากสมาธิก็จะไม่มีอะไรมาทําให้ไม่ ให้วุ่นวายให้หายไปใจก็จะสงบตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ได้อยู่เฉยๆถ้าค่อยๆหยุดความอยากได้เท่านี้ใจก็สงบใจก็เย็นจะสบายไปตลอดนี่แหละกุญใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกท่านกําจัดความอยากให้หมดไปจากใจเบื้องต้นก็อาศัยสติทําใจให้สงบเป็นสมาธิก่อน แล้วพอมีความสงบจากสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจให้รักษาความสงบจากสมาธิด้วยการกําจัดความอยากที่จะมาคอยทำลายความสงบนี้เท่านั้นเอง<ม>โดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิแล้วต่อไปนั่งเฉยๆก็มีความสุขเหมือนกับอยู่ในสมาธิ<ม>นี่ก็คือวิธีการของการสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับใจของพวกเรา ที่พวกเราได้มาเรียนรู้กันในวันนี้เพรนี่คืออนิสงส์ที่ได้จากการฟังเทศฟังธรรมได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนเกิดสั ม, สมมาทิฏฐิเกิดปัญญาขึ้นมาแทนที่จะหาความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์เกิดโลกธรรม ท, ทั้งสี่เราก็เปลี่ยนมาหาความสุข้วยการทาใจให้สงบ โดยการเจริญสติเบื้องในเบื้องต้นให้ได้สมาธิแล้วพอได้สมาธิแล้วก็เจริญปัญญาเพื่อคอยสกัดกั้นกิเลส ท, ที่จะมาคอยทําลายความสงบของสมาธิให้หมดไปพอกิเลสถูกทําลายหมดใจก็จะสงบตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิอีกต่อไปอ น, นี่ก็คือเรื่องราวของปัญญาของความรู้ที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรต่อ เวลาในลำดับต่อไปเราจะมาปฏิบัติธรรมกันต่อปฏิบัติสมาธินี้เองนั่งสมาธิเจริญสติการฟังธรรมนี้ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธินี้ก็จะช่วยให้เรามีสติขึ้นมาในระดับหนึ่งว่าเวลาเราฟังธรรมเราก็ต้องมีสติคอยจดจอ่ออยู่การฟังธรรมพอเราหยุดฟังธรรมแล้วเราสติที่เราได้นี้เราก็สามารถเอามาใช้ต่อเอามา เอามาใช้กับการนั่งสมาธิได้เอาสติมาผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานที่เราชอบที่เราถนัดกรรมฐานนี้มีหลายชนิดด้วยกันอย่างที่ได้แสดงไว้ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ชนิดเดียวกันทั้งหมดและในตัวของเราเองบางเวลาเราก็อาจจะชอบใช้พุทโธบางเวลาเราอาจจะชอบใช้ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้สามารถสามารถเปลี่ยนได้ แต่เวลาใช้ไปแล้วก็อย่าไปเปลี่ยนการคันพยายามใช้กับสิ่งนั้นไปอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานอกจากมีเหตุจำเป็นจริงๆต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ถ้าไม่เปลี่ยนจะดีกว่าว mm ันนั้นดังนั้นการ น, นั่งสมาธินี้เราต้องมีสติคอยกากับใจใจเหมือนเรือที่จะลอยไปกับกระแสะน้ำถ้าไม่อยากจะให้เรือลอยไปกับกระแสะน้ำเราก็ต้องผูกเรือไว้กับท่าเรือหรือทอดสมอรเรือไว้ ถ้าเราไม่อยากให้ใจเราลอยไปกับความคิดต่างๆเราก็ต้องผูกใจไว้ให้อยู่กับกรรมฐานที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจได้จะเป็นพุทธานุสติก็คือคำบริกรรมพุโทโธจะเป็นการดูลมหายใจเข้าออกก็คืออานาปนสติหรือจะเป็นการใช้บทสวดมนต์ที่เรียกว่าธรรมานุสติแล้วแต่เราแล้วแต่จิตของเราจะเหมาะกับ กรรมฐานแบบไหนในเวลานั้นเราก็ใช้แบบนั้นไปแล้วเวลานั่งมีอะไรเข้ามาสัมผัสให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจเช่นเสียงต่างๆหรืออาจจะมีแสงอาจจะมีภาพอะไรปรากฏก็อย่าไปตามรู้ให้ผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานถ้าไปตามรู้ก็เหมือนกับลอยไปกับกระแสของความคิดถ้าลอยไปกับสิ่งที่มาให้เรารับรู้แล้วใจก็จะไม่มีวันสงบได้ เป้าหมายของการนั่งสมาธินี้มีอยู่เป้าหมายเดียวนะคือทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบเรายัางไม่ต้องการเจริญปัญญาเรายัางไม่ต้องการเห็นนรกเห็นสวรรค์เรายัางไม่ต้องการมีการระลึกชาติหรืออะไรต่างๆของเหล่านี้เราอยากไปสนใจสนใจเพียงอย่างเดียวคือทำใจให้นิ่งให้สงบให้อยู่กับกรรมฐานที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจ แล้วต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันไปจนกว่าจะหมดเวลาตอนนี้เวลานั่งสมาธิก็หมดพอดีก่อนที่จะเลิกก็ขอให้สังเกตดูว่าวันนี้เรานั่งเราสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้สังเกตวิธีนั่งของเราในวันนี้ไว้จำเอาไว้แล้วข่าวต่อไปเวลานั่งก็เอาวิธีนี้มานั่งต่อ อยาไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากจะไม่ทําให้มันสงบมันจะสงบเพราะวิธีนั่งที่ถูกต้องถ้านั่งเรายังไม่ค่อยสงบก็แสดงว่าสติเรายังมีกำลังน้อยก็ให้ไปฝึกสติให้มากๆเลยในระหว่างวันในเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ให้นึกถึงพุโทโธพุโทโธไปหยุดคิดบ้างแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายขึ้นแล้วต่อไปนี้ก็จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปูราปาริปเรนติสาคหลังเอวเมวะยุโตทินังเปตานังอุปกัรปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยะามณิโชติ ภราสุยาธาสัพพิติยวิวัจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขิตีขายุโกภวาอภิวาทนศีลิสานิจจังวุทธาปจายโนจตารโหธรรมาวทานเตอายุวันโอสุขัง ภาลางช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงที่จะสะดวกที่สุดเพราะว่าถ้าหลังจากเลิกกล้าวจะไม่สะดวกตอบต้องขออาภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้พี่มผู้รับฟังมีวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากุติจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ313ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์324 YouTube ดรว53วิทยุออนไลน์12คลับเฮ์4ี่นักกุติ181ร่วมทั้งหมด887ท่านค่ะ คำถามจากพูดเราฟังนะกุติค่ะขออนุญาตถามคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติครับข้อที่หนึ่งถ้าเราดูลมหายใจเราควรจะบริกรรมพุทโธไปด้วยหรือแค่ดูลมไปเฉยๆแล้วควรเพ่งดูแค่จุดจุดเดียวใต้จมูกหรือดูตามลมหายใจครับได้ทั้งสองอย่างจะดูลมอย่างเดียวก็ได้พุทโธอย่างเดียวก็ได้หรือจะดูลมไปพุทโธด้วยก็ได้ ถ้าดูลมอย่างเดียวก็ดูที่ปลายจมูกลมเข้าลมออกไม่ต้องตามเข้าไปไม่ต้องตามออกมาให้เฝ้าดูอยู่ที่จุดจุดเดียวถ้าบริกรรมพุทธโธก็อยู่คําบริกรรมพุทธโธไปถ้าอยู่กับลมกับพุทธโธก็ต้องดูว่าเวลาลมเข้าก็ว่าพุทเวลาลมออกก็ว่าโธอันนี้แล้วแต่จะถนัดจะชอบวิธีไหนก็สามารถเลือกใช้ได้ข้อที่สองค่ะ ในขณะที่เรากําลังดูลมหายใจไปได้สักพักอยู่ๆจิตก็ไล่ตามดูร่างกายเองแบบนี้เราควรกลับมาดูลมหายใจหรือควรปล่อยแล้วไล่ดูตามร่างกายครับควรจะ่นึงกลับมาดีกว่าเดี๋ยวมันจะพาเราตเตลิดเปิดเปิงไปไหนก็ไม่รู้ให้ผูกใจไว้ให้อยู่กับลมหายใจมันจะได้ไม่ลอยไปกับเรื่องราวต่างๆคําถามจะพูดรับฟังณนกะุติค่ะ ข้องใจสงสัยว่าการที่ตายไปแล้วทำกรรมอะไรตายไปตกนรกแล้วหมดกรรมในนรกแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมยังมาพบกับวิบากกรรมอีกเพราะเหตุตกนรกแล้วยังไม่หมดกรรมยังต้องมาใช้กรรมอยู่ในโลกมนุษย์อีกตามที่พูดว่ากรรมนี้ได้ทำไว้แต่ชาติก่อนๆสงสัยว่าทำไมไม่หมดกรรมเสียทีก็<ร>มีกรรมมีเวรด้วย กรรมหมดเวลาออกจากนร ก, กมาก็แสดงว่าหมดกรรมเหมือนกับไปติดคุกนี่พอถึงเวลาเขาก็ปล่อยออกมาก็แสดงว่าพ้นพ้นทุกข์แล้วพ้นจากคุกตารางแล้วแต่ยังต้องมาลำบากเพราะว่าไม่มีงานทำต้องหาหาอะไรไปยากลำบากอันนี้ก็เป็นวิบากเป็นเวรกลรมมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเจอเจ้ากรรมในเวรได้อยู่คนที่เราไปทำร้ายเขานี่เขายังมาจองเวรจองกรรมกับเราอยู่ ถ้าไปเจอเขาเขาก็จะมาคิดทำร้ายเราได้หมดกรรมแต่ยังไม่หมดเวรถ้าอยากจะหมดกรรมหมดเวรก็ต้องไม่มาเกิดเท่านั้นถ้าไม่มกลับมาเกิดก็เวรกรรมก็จะไม่มีต่อไปข้อที่สองการทำสมาธิเป็นการสะกดจิตใช่ไหมคะเพราะไม่ให้คิดถึงสิ่งอื่นไม่ได้สะกดหรอกเพียงแต่นึงใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆ คำถามจากผู้รับฟังนะกุฏิค่ะเวลานั่งสมาธินั่งแล้วตะคิวกินขาแล้วขยับได้หรือไม่แต่ก็บริกรรมพุโทโธตลอดแต่ก็ทราบว่ากายกับจิตคนละส่วนกันอยากจะลืมการเป็นตะคิวแต่ก็ไม่หายเป็นตะคิวสักทีค่ะนต้องไปหาวิธีรักษาความเป็นตะคิวให้หมดไปก่อนไม่องนั้นเวลานั่งก็จะเจ อ, อุปสรรคตันี้อยู่เรื่อย เวลานั่งนี้เราไม่ต้องการที่จะไปยุ่งกับร่างกายถ้ายังยุ่งกับร่างกายอยู่ใจจะเข้าสู่สมาธิไม่ได้ถ้าอยากจะเข้าสมาธิอยากจะได้ผลจากการนั่งสมาธิก็ต้องทิ้งกายเวลาที่เรานั่งสมาธิ <c oughs> ในชีวิตทางโลกเราไม่สมาเราไม่สามารถหลีกหนีคนไม่ดีได้รบกวนพระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีคิดและแนวทางการทำใจให้มีความสุขในการทำงานกับคนไม่ดีหน่อยค่ะพูะเจ้าสอนว่าการครบคนไม่ดีนี้ถือว่าเป็นเป็นการได้สร้างบารมีคือขันติบารมีถ้าเจอคนไม่ดีเราก็าต้องพยายามอดทนอดกั้นไว้ ถ้าเราเจอแต่คนดีๆเราก็ไม่ต้องมาสร้างขันติบารมีกันเราก็จะไม่มีขันติแต่ถ้าเราเจอแต่คนไม่ดีเรื่อยๆเราก็ต้องสร้างขันติบารมีขึ้นมานั่นมีคำพูดว่ามันบอมีบารมีบ่อกเกิดถ้าไม่เจอคนไม่ดีคนที่คิดร้ายกับเราเราก็จะไม่มีโอกาสได้สร้างบารมีคือขันติบารมี กลับเรียนถามพระอาจารย์สองหัวข้อครับข้อที่หนึ่งผู้ที่บรรลุโสดาบันแล้วเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะยังมีการทําบาปได้อยู่หรือไม่ครับไม่ไม่ทําบาปเด็ดขาดตั้งแต่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปไม่ว่าจะตายไปหรือยังไม่ตายนี่ท่านจะไม่ทําบาปเพราะเห็นท่านเห็นโทษของบาปมันมันร้ายแรงยิ่งกว่าสิ่งที่เราได้ทําไปสิ่งที่เราได้จากการทําบาปไม่คุ้มกับบาปที่เราต้องไปรับผล ข, ข้อที่สองเวลาฟังธรรมะหรือเป็นคนทเวลาฟังธรรมะหรือเป็นหรือเห็นคนทำความดีจะเกิดอาการปิติขนลุกน้ำตาไหลอยากเรียนถามว่าผมควรวางจิตอย่างไรเพราะเกิดขึ้นบ่อยครับก็ไม่เสียหายตรงไหนเป็นการอนุโมทนาโดยที่ไม่ต้องไม่ได้พูดถึงมีความชื่นชมยินดีในการทำความดีของผู้อื่น หรือว่าเป็นเป็นธรรมที่ดีทําให้เกิดความสุขใจขึ้นมาคำถามจากคุณเคทีการเจริญสติโดยใช้สังคานุสตินั้นให้ใช้คำาคำในใจว่าสังโคสังโคเท่านั้นใช่ไหมครับก็สังโคอย่างเดียวก็ได้หรือเจริญบทสังคคุณก็ได้สวะสุปฏิปันโนปะกวะโตสาวะกสังโคอูชุเนี่ยสวดไปเรื่อยๆก็ได้ โดยนึกถึงภาพของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนักถือก็ได้ให้ปรากฏขึ้นมาในใจของเราคำถามจากทางยูทู u ด็อเตอร์ค่ะวันนี้นั่งขัดสมาด์นั่งสมาธิสิบนาทีแรกสงบดีแต่เริ่มเจ็บขาปวดเมื่อยไม่ค่อยสงบเหมือนเวลาที่นั่งบนเก้าอี้แต่ก็ทนจนครบเวลาค่ะเราควรกลับไปนั่งเก้าอี้เพื่อให้ได้ความสนุก ความสงบหรือไม่คะก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรบางทีได้ความสงบแต่ยังไม่ได้ขันติไม่ได้ความอดทนถ้าอยากจะได้ความอดทนก็นั่งแบบให้มันเจ็บบ้างเราจะได้ขันติหรืออาจจะได้ปัญญารู้จักปล่อยวางไม่ให้ไปยึดไปติดกับความเจ็บความปวดปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันปวดไป คำถามจากทาง u t u b e พระอาจารย์สุชาติคะ่ะถ้านั่งสมาธิแล้วปวดตัวควรที่จะอยู่กับลมหายใจต่อหรือควรจะจดจ่ออยู่กับความปวดและวางอุเบกขาครับถ้าทำอย่างไหนแล้วทำใจให้เป็นอุเบกขาได้ก็ทำอย่างนั้นไปถ้าดูลมไม่เป็นอุเบกขาดูความเจ็บก็ไม่เป็นอุเบกขาอีกวิธีหนึ่งก็ให้แค่คาบริกรรมไปอยู่กับคาบริกรรมไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บ เดี๋ยวคำบริกรรมันก็จะทำให้ใจเรานิ่งและเราก็จะอยู่กับความเจ็บได้เป็นอุเบกขาได้คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะลูกชายไม่ชอบไปงานเลี้ยงไปเจอผู้คนหรือเพื่อนๆชอบอยู่แต่บ้านมีคนแนะนำ ให้เจอหมอจิตแพทย์ช่วงเด็กๆพาลูกเข้าวัดฟังทำบ่อยแต่ตอนนี้ชวนลูกมาวัดลูกไม่ค่อยมาจะมีวิธีการสั่งสอนหรือแนะนำยังไงบ้างคะถ้าเขามีความสุขก็ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรการที่เขาอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของนิสัยเขาที่ได้บอบรมมาใชา่ก่อนๆเขาอาจจะเคยเป็นนักบวชก็ได้ชอบอยู่คนเดียวชอบเปรกวิเวก พอเวลาเขาอยู่คนเดียวแล้วเขามีความสุขแั้ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเขาอยู่คนเดียวไม่อยากจะเข้าสังคมแล้วเขาไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับใครก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาอยู่ตามสภาพเขาไปคาถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะช่วงนี้นั่งไม่มีสมาธิเลยควรฝึกหรือแก้ยังไงดีครับควรฝึกสติให้มากมาก่อนที่จะมานั่ง มันจเจริญพุโทโธพุโทโธไปตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยทั้งวันทั้งคืนนึกถึงพุโทโธได้เมื่อไหร่ก็พุโทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเวลานั่งก็จะมีสติมีสมาธิดีขึ้นคําถามจากคุณเคเคค่ะ เราหวังดีกับคนครอบครัวแต่บ่นชี้แนะหวังให้เขาเป็นคนดีได้ดีทำอะไรอย่างเป็นระบบระเบียบแต่บางทีเขาคิดว่าเราบน่นสอนเขามากไปค่ะเราก็ต้องดูว่าเขายินดีที่จะฟังเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่ยินดีเราก็ควรจะหูปากว่าจะดีกว่าคำถามจากคุณวรกัญญาค่ะ ลูกเป็นวัยรุ่นมีอารมณ์เหมือนเด็กวัยรุ่นใจร้อนเชื่อเพื่อนหรือคนแปลกหน้าไม่เชื่อฟังพ่อแม่ในบางครั้งอยากให้พระอาจารย์เตือนสติเด็กวัยรุ่นเรื่องการระวังการครบคนค่ะก็อยู่ที่พ่อแม่เนะี่ยมันใช่เราสอนยังไงเราไม่มีลูกนี่พ่อแม่มีลูกก็อยู่กับลูกตลอดเวลาก็คอยคอยสอนคอยเตือนเขาอยู่เรื่อยว่าให้รู้จั ก, จกคบคนนะคนดีก็คบได้แต่คนไม่ดีก็อย่าไปคบ จะมาให้เราสอนได้ยังไงเราไม่มีลกูกเราวพิ่อยู่คำถามจากผู้รับฟังนะกุติค่ะขอโอกาสพระอาจารย์ครับข้อที่หนึ่งถ้าเราบวชกับพ ร, พระอุปชาที่ไม่รักษาศีลเราจะเป็นพระโดยสมบูรณ์หรือเปล่าครับเป็นการามสมบูรณ์ของพระไม่ได้อยู่กับคนที่บวชให้กับเราอยู่ที่ตัวเราว่าเรารักษาศีลได้สมบูรณ์หรือเปล่า ถ้ารักษาศีลได้สมบูรณ์เราก็เป็นพระที่สมบูรณ์การเป็นพระนี่อยู่ที่การรักษาศีลของพระไม่ได้อยู่ที่คนบุญคนที่บุญให้ค่ะข้อที่สองเช่นเดียวกับถ้าเราทำบุญกับพระที่ไม่รักษาศีลจะได้บุญหรืออนิสง์มากน้อยหรือต่างจากพระที่มีศีลครบโวนไหมครับคือการทำบุญกับคนนี้เราได้ประโยชน์สองอัน ยช์อันแรกก็เกิดจากการเสียสละเข้าของเงินทองของเราไปอันนี้ไม่ว่าจะให้กับใครเราก็ได้เหมือนกันคือได้ความสุขใจอิ่มใจที่เราได้เสียสละเข้าของเงินทองส่วนนี้ไปอีกส่วนหนึ่งที่เราจะได้ก็คือจากบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยว่าเขามีอะไรจะให้เราเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งตอบแทนถ้าเราไปทําทำบุญกับพระที่มีศีลท่านก็จะสอนเรื่องการรักษาศีลให้กับเรา ถ้าเราไปทําบุญกับพระที่มีสมาธิท่านก็จะสอนวิธีนั่งสมาธิให้กับเราถ้าไปคุยกับพระที่มีปัญญาท่านก็จะสอนเรื่องปัญญาให้กับเราเหล่านี้จะต่างกันกับบุคคลที่แต่ละคนที่เราไปทําบุญด้วยก็ขึ้นอยู่กับเราเราต้องการอะไรจากบุคคลเหล่านั้นเหมือนกับไปซื้อของที่ร้านถ้าเราต้องการซื้อขนมเราก็ไปไปซื้อของที่ร้านขายขนมซื้อต้องการอาหารแล้วก็ไปซื้ออาหารที่ร้านขายอาหาร การทำบุญกับบุคคลต่างๆก็อาจจะมีผลตอบแทนกลับมาตามความรู้ความสามารถของบุคคลเหล่านั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นอันนี้เรามันจะไม่เหมือนกัน mm hmm. แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือความเสียสละที่เราเสียสละเงินทองเข้าของไปให้กับเขานี้แล้วเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาอันนี้เหมือนกันหมดทุกคนคําถามจากทาง facebook ค่ะ จิตใจพุทธะเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมคะเป็นธาตุรู้เป็นที่เป็นผู้ที่มาครอบคุมมามาครอบครองร่างกายแล้วใช้สั่งร่างกายให้ไปทำอะไรต่างๆคือจิตจิตเราเรียกว่าจิตบ้างเรียกว่าใจบ้างเป็นธาตุรู้บางทีเราก็เรียกว่าพุทธะพุทโธผู้รู้<ม>ความหมายเดียวกันก็คือเป็นจิตเป็น เป็นสิ่งหนึ่งที่แยกที่ไม่ใช่ร่างกายเป็นผู้ที่มาครอบครองร่างกายเป็นนายของร่างกายอยีกทีร่างกายเป็นเหมือนคนรับใช้ใจรับใช้จิตอยู่ด้วยการชั่วคราวพอร่างกายตายไปจิตก็แยกออกจากร่างกายไปแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้ใช้ร่างกายอันใหม่มาทำอะไรต่างๆใหม่อีกครั้งหนึ่ง คำถามจากทาง a c e b o o k ค่ะตั้งแต่ปฏิบัติธรรมูรู้สึกเห็นแต่ความทุกข์และหมกมุ่นกับความคิดบางอย่างเกินไปจนกระทบความสัมพันธ์กับสามีขอคําแนะนําพระอาจารย์ควรทําอย่างไรคะให้รู้สึกปล่อยวางและมีความสุขเหมือนเมื่อก่อนค่ะเพราะไม่ปฏิบัติอย่างถูกต้องการปฏิบัติถูกต้อ ง, งต้องเริ่มต้นที่การเจริญสติก่อนคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิด พอเราหยุดความคิดได้ใจเราจะวางจะปล่อยวางได้ใจเราจะเย็นใจเราจะมีความสุขเราจะมีความเมตตาต่อบคุคคลอื่นแต่ถ้าเราปล่อยให้ใจคิดแล้วเกิดความโลภความอยากขึ้นมาแล้วมันจะทำให้ใจเราเครียดทำให้ใจเราเห็นแก่ตัวทำให้ใจเราไม่สนใจกับความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นได้ดังนั้นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต้องปฏิบัติด้วยสติก่อนเริ่ม่วนด้วยสติควบคุมความคิด ทำใจให้สงบทำใจให้สบายทำใจให้เป็นอุเบกขาพอมีอุเบกขาแล้วเราก็จะสามารถาปล่อยวางกับสิ่งต่างๆได้คำถามจากทาง facebook ค่ะอยากทราบว่าจิตคืออะไรคะแล้วจิตไม่ใช่เราหมายความว่าอย่างไรคะจิตเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเราเรียกว่าธาตุรู้มีความสามารถที่จะรู้ที่จะมีความรู้สึกนึกคิด มีความสามารถที่จะรับรูปเสียงกลิ่นลดจากตาหูจมูกลิ้นกายได้คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะคุณพ่อมีเมียน้อยโดยที่ยังไม่ได้หย่าขาดกับคุณแม่ทำให้ครอบครัวต้องเดือ ด, ดร้อนวุ่นวายจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงปล่อยวางงก็เรื่องของคุณพ่อกันไม่ใช่เรื่องของเราเรากับคุณพ่อก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่พ่อกับเราก็ยังเป็นพ่อลูกกันเหมือนเดิมอยู่ ส่วนพ่อก็จะไม่มีแฟนใหม่ก็มเก็เรื่องของพ่อเขามไม่ใช่เรื่องของเรา<ม>เราต้องเคารพในสิทธิของส่วนบุคคลของผู้อื่นเขาเขาจะทําอะไรก็เป็นเรื่องของเขาคําถามจากคุณเจวิลค่ะพระที่บวชแล้วมีโรคประจําตัวเช่นโรคเบาหวานกดไหลย้อนโรค ก, กระเพาะเวลาท่านต้องฉันมือเดียวท่านทําอย่างไรไม่ให้มีปัญหากับโรคค ะ, ะเวลาบวชท่านไม่เป็นอนี่ ก็จะบวชถ้าไม่เป็นถ้าเป็นแล้วท่านก็ต้องเลือกหรือว่าจะอยู่ต่อไปหรือจะศึก้เถ้าจะทำผิดศีลท่านก็จะอยู่เป็นพระไม่ได้คำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะหลวงพ่อไม่ให้สนใจปรากฏการณขณะภาวนาช่วงที่ไปกินเล่นเที่ยวอยู่กับเพื่อนเคยเห็นแสงเหมือนแสงนิออนขาวสว่างเหนือนสีซะเพื่อนที่ดูเหมือนกาลัง เพื่อนที่ดูเหมือนจะโกรธไม่พอใจเราเป็นอย่างนี้สองครั้งกับสองคนเราปรุงแต่งไปเองไหมคะก็ไม่ร si eh ู้หละคุณเป็นผู้สัมผัสรับรู้ก็ต้องก็ต้องพิสูจน์ดูถามตัวเองื่าเป็นอย่างไรเราเราทำอะไรหรือเปล่าเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าไม่รู้ก็ปล่อยมันผ่านไปคิดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็แล้วกัน คำถามจากทาง youtube ดร v ค่ะมีคนว่าว่าเราทําผิดคิดได้ต่อเขาซ้ําๆบ่อยๆโดยที่เราไม่ได้ทําและ เ, เราไปเป่าประกาศคนรอบข้างให้เราเข้าใจผิดควรทาอย่างไรคะเก อ, อไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยเขาจะพูดยังไงจะทำไงเราก็ห้ามเขาไม่ได้ตราบใดที่เรารู้ว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดก็แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร ถ้าเราทำผิดแล้วก็ควรที่จะไปปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะวิญ ญ, ญาณขานกับจิตต่างกันอย่างไรคะวิญญาณนี้เป็นตัวความสามารถของจิตอย่างหนึ่งคือวิญญาณนี้เป็นผู้ที่จะไปรับรูปเสียงกลิ่นรสจากตาหูจมูกนิ้วกายของร่างกายมาเป็นความสามารถอย่างหนึ่งของของจิต เหมือนแล้วใช่ไหมเหมือนแล้วก็พอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านตรงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ